เพราะชาวพุทธของเราส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ที่นั่นอะไปสร้างปัญหามีวัดไทยวัดอย่างอู้ทะเลาะ ก, กันอยู่ระหว่างกรรมการกับประธานกับพระทะเลาะ ก, กันอยู่งั้นเอเรื่องเดินกระบวนก็อยู่ไม่หยุดไม่ย่อนเขาบอกว่าพุทธศาสนาจะดีได้ไงก็คนกลุ่มเล็กๆ ก, ก็ยังก็แค่นี้ยังตกลงกันไม่ได้อี่ยอีฝ่ายไปสร้างภาพลบเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยมันเขาก็มีติภาพอันนี้อยู่ในใจว่าพุทธศาสนาดียังไงแค่ปัญหาเล็กๆน้อยยังแก้กันไม่ตกเนี่ยเขาแยกไม่ออกระหว่างว่าชาวพุทธ บางคนก็มาถามวัตถมาว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นพุทธ 90% เนี่ยป ร, ประเทศไทยก็ยังมีปัญหายังที่แยาเศรษฐกิจยังค้าขายโสเภณียังคอร์รัปชันยังล้มละลายทางเศรษฐกิจว่าพุทธาศาสนาช่วยอะไรได้เขาก็ยังมาพูดแบบนี้เราก็บอกว่าประชาชนของเราเนี่ยยังเป็นพุทธประเพณียังเป็นบุริษคันเชอร์คือเป็นพุทธวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่เป็น เบีบุรีสุ่มคือยังไม่ได้เป็นพุทธธรรมหรือไม่จะเป็นผู้ที่แท้อธิบายให้เขาฟังถ้าเป็นผู้ที่แท้เนี่ยจะไม่สร้างปัญหาแบบนี้แต่ที่สร้างปัญหานี้เพราะว่าเป็นพุทธโดยวัฒนธรรมเป็นพุทธตามถ้าเป็นพุทธโดยวัฒนธรรมถึงเก้าสิบ้าเปอร์เซ็ตก็จริงแต่ที่เป็นเบีบุรีสุ่มคือพุทธเพียวๆ เ, เนี่ยสักห้าเปอร์เซ็นต์นี่ถึงหรือเปล่าอันเนี้เราก็บอกให้เขาฟังเขาก็เข้าใจอ๋อ <c oughs> เขาบอกอ้าวมันต่างกันยังไงระหว่างบุรีคันเชอร์กับเพียวบุธธ ร, รีซุ่ม ต่างกันถ้าเพลววุติซึมเนี่เอาตัวรู้สึกเอาตัวสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นที่พึ่งของชีวิตไม่ได้เอาเหรียญเอารูปเอาประเพณีเอาป่อลำมนพ่นน้ำหมากผาเศษใส่หัวกันไม่เอาอันนั้นเป็นพุทธประเพณีแต่ที่เป็นพุทธที่แท้เนี่ยเอาตัวศีลตัวสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งไม่ได้ไปเอาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาคนนัคนนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้ไปเอาเหรียญเอารูปเป็นที่พึ่ง เอาตัวสติสมาธิปัญญาที่ฝึกขึ้นจากความรู้สึกแท้ๆเนี่ยเป็นที่พึ่งอันนี้คือพุ ท, ที่แท้เขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันช่วยยังไงก็ช่วยทําให้เกิดปัญญาถ้ปัญญาก็ทำให้เกิดแก้ปัญหาได้ง่ายปัญหายากก็กลายเป็นปัญหาง่ายระหว่างการปัญหาใหญ่ๆก็แก้กันง่ายๆนะอันนี้คือพุ ท, ที่แท้ดังนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่คือคนที่ถือพุทธเพียงประเพณี ความจริงพุทธประเพณีก็ว่ากระเจิงตรงคือพาราหมณ์คือฮินดูนั่นเองคือผีคือพาราหมณ์คือฮินดูนี่นเองแต่เราจะไปพูดอย่างนั้นก็เขาว่าไปาดูถูกเขาอีกแต่ก็จําเป็นต้องบอกว่าพุทธะโดยประเพณีพุทธะโดยวัฒนธรรมนั้นก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าว่าในประเทศของเราเนี่ยที่เป็นพุทธเพีวบุรีสุมเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นหรอกห้าเปอร์เซ็นต์อย่างมากเมื่อ20สปีก่อนเคยถามหลว่าเทียนว่าเป็นพุทธแค่สเปอร์เซ็เดี๋ยวนี้คงจะเพิ่มขึ้นบ้างกันมัง กันหมายความว่าเป็นพุทธประเพณีเสีเก้าสิบเปอร์เซ็นะต์ะจะเป็นผู้ที่แท้ถึงสองสามเปอร์เซนต์น่าตกใจเพราะนั้นในการสร้างจังหวะอันเดินจงกลมเนี่ยอามาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยให้ความสำคัญให้มากมือที่ยกแต่ละครั้งเนี่ยอามาถือว่าเป็นวัตถุศั ก, กดิ์สิทธิ์การยกจะมีความหมายมากไม่ใช่ยกไปลอยๆนะยกเราให้รู้มันเป็นยังไง ในขณะที่ยกเรามันมีอะไรเยอะเพียงแต่นำใจกลับมาเท่านั้นเองนะนําใจกลับมาถ้าใจกลับมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นอะไรในตัวเราเยอะแต่ถ้าใจมันไม่กลับมาเนี่ยถึงมีก็ไม่เห็นในขณะนี้เรามีทั้งเยอะใช่ไหมเย็ยนร้อนมีไหมห่อนแข็งมีไหมเค่งตึงมีไหมหายใจภัพตาอปากรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเฉยๆมีใช่ไหมเจ็บคันปวดนูด่นปวดนี่มีใช่ไหมอันนี้คือทำวะ ถ้าดูเป็นมันเป็นธรรมะถ้าดูไม่เป็นมันเป็นทุกข์อาการเหล่านี้ทุกขธรรมในอันเดียวกันถ้าดูเป็นมันเป็นธรรมถ้าดูไม่เป็นมันเป็น ท, Soul, are are ทุกข์อาการอัน Music, นี้แหละที่ว่าเห็นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นั่นเองไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราเป็นทุกข์เราจึงไม่เห็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นทุกข์เราจะไม่เป็นทุกข์อันนี้ลองดูให้ดีเราเป็นทุกข์หรือเราเห็นทุกข์กันแน่ ทุกคนอะถ้าหาว่าไม่ได้เจริญสติเนี่ยต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเจริญสติเป็นถึงจะเห็นทุกข์ถ้าเจริญสติไม่เป็นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้เห็นเราแต่ทาคดเห็นธรรมก็เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ก็เห็นตัวพระพุทธเจ้าพอเห็นทุกข์ก็คือเห็นอาการที่มันมีอยู่เนี่ยพอเห็นมีแล้วเป็นยังไงก็ดูไปนานๆเอ๊ะฉันก็เห็นอยู่แต่ไม่เห็นต่างตรงไหน นะเห็นอยู่สมัยหนึ่งนะมีพราม์คนหนึ่งเข้าไปถามพระพุทธเจ้าพราหมคนนี้สแสวงหาวิชาโลกุตระอยากจะรู้วิชาโลกุตระแล้วเข้าไปสํานักนักบวชต่างๆไปถามว่าโลกุตระเนี่ยปฏิบัติอย่างไรถึงจะเข้าสู่โลกุตระอาจารย์สํานักนี้ก็อธิบายไปอย่างอาจารย์สํานักนู้นก็อธิบายไปอย่างอาจารย์สำนักนู้นก็อธิบายไปอย่า ง, าาาางหาขา้อสรุปไม่ได้ทีนี้ก็มีคนแนะบอกว่าไปพบพระจัตไปพบพระสมณพโคดมสิ ท่านจะให้คำตอบที่ถูกทมคนนี้ก็รีบไปเลยนะรีบไปหาพู้ิเจ้าแล้วไปถามว่าการทาเข้าถึงโลกุตระะนั้นทำอย่างไรผู้ดีเจ้าก็ไม่ตอบทันทีุทู้เจ้านั่นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปแล้วก็นั่งแล้วก็นอนลุกขึ้นก็เดินไปทเนี้แล้วก็บอกว่านี่คือวิชาโลกุตตะละ ถาคนนั้นก็งงอะไรยืนเดินนั่งนอนนี้ใครก็ทำได้ไม่เห็นว่าเป็นโลภุตาะตรงไหนใช่ไหใช่ท่ามทุกคนมีการยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนผุุู้ชนส่วนใหญ่ 99% ยืนเดินนั่งนอนในความคิดยืนเดินนั่งนอนด้วยความไม่รู้สึกตัว ด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะฉะนั้นการยืนเดินนั่งนอนอย่างนั้นจึงไม่เป็นโลกุตระธรรมแต่เราแต่ละคนยืนเดินนั่งนอนด้วยสติสัตยยาการยืนเดินนั่งนอนของเราจึงเป็นทางแห่งโลกุตระความเพราะนั้นก็ถึงบางอ้อเลยนะตั้งแต่นั้นก็ขอปฏิบัติเจริญสติเพราะฉะนั้นเองจึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้จะเป็นทางออกของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะหวังอย่างยิ่งเลยส่วนหนึ่งที่มา ต้องไปทางยุโรปอเมริกาเนี่ยต้องไปต้องไปบอกเรื่องนี้เท่านั้นถ้าไปเพื่อไปสนุกสนานไปเพื่อไปดูไปศึกษาอะไรนี่ไม่ต้องเสียเวลาไปอยู่เมืองไทยเราสบายทุกอย่างยอมรับว่าอยู่เมืองไทยเราสบายกว่าอเมริกาหลายเท่าอากาศก็ไม่ต้องไปร้อนเดือนไปที่นู้นหน้าร้อนหกเดือนหน้าหนาวหกเดือนร้อนก็ไม่ใช่ร้อนเลยบ้านเราบ้านเราแค่สี่สิบสาสี่แปดสี่สิบนี่จะแย่อยู่แล้วเน่นางนู้นห้าสิบฟาหกสิบนี่มีขนาดไหน ความหนาวก็เหมืนกันบ้านเราแค่ลงแค่ห้าองศาสิบองศานี่ยจแย่อยู่ยแล้วอันนั้นลบนะลบต่ํากว่านั้นถึ ง, งสิบองศายี่สิบองศาเนี่ยน้ํำในแอ่งใะอ่างเป็นน้ําแข็งทั้งก้อนเลยเงี้ยเมื่อจะธรรมาดาวันนั้นมันมันไม่ไม่ไมไมสบายเหมือนบ้าเราว่านเราสบายไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวสบายทนได้สบายถ้าหากว่าเราไม่หวังเพื่อบอกสิ่งนี้เราจะเสียเวลาไปอยู่ที่นั่นทำไมนะเพราะฉะนั้นไปก็ทําหน้าที่ที่ฉันนั้น แต่ต้องไปพูดไปรเรียนภาษาของเขาอันนี้ที่หน้าที่ใหม่ของเราที่ต้องไปศึกษาภาษาของเขาไปอยู่ได้หกเดือนนี้ก็พอพอเถียงเงินฝรั่งได้ว่างั้นเถอะแล้วก็มีฝรั่งมาเถียงกันเลยแหละเรือ่องนี้เพราะว่าฝรั่งนี้ต้องใช้เถียงกัน ก, นก่อนก่อนที่จะรับเหตุผลกันได้ว่าดียวก็ต้องพูดกันก่อนพูดกันจนกระทั่งว่าเขารับเหตุผลแล้วเขาจริงจริงลงมือทำไม่ใช่ว่าเรานี่ง่ายจะบอกเอาเอาเลยแต่ฝรั่งไม่ได้ต้องหาเหตุผลว่าทํานี้เพื่ออะไร ทำทำไมจากหลังจะเข้าใจเหตุผลแล้วนี่เขาเอาหนักกว่าเราอีกนะมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อแจ็คแกมามาอยู่เมืองไทยได้สี่ปีตั้งใจว่าจะมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วจะบวชศึกษาไปศึกษามาไม่รู้เรามีท่านไหนมันไม่เจอของจริงไปเจอหมาลังงานที่จะวัดที่จะวัดตราบพอเห็นหมาลังงานเท่านั้นแหละมันเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันทีเลยนะกลับไปบ้าน กอขอยืมเงินแม่สองหมืนห้าร้อยเหรียญสองหมื่นห้าันเหรียญมาลงทุนเอามาหลังอันของประเทศไทยเราไปเพาะขายอยู่ที่ลาสเวกัสจากเอาไปตัวไม่กี่บาทนั้นไปขายเพาะตัวนึงตัวละพันเหรียญพันห้าร้อยเหรียญสองพันเหรียญพันหนึ่งเราก็เท่าไหรู่กไปทั้งสามหมื่นฝ่าไร้ใช่ไหมเราสองพันเหรียญก็เจ็ดหมื่นฝ่าแล้วจากหมาไทยไม่มีราคาอะไรก็ขายตัวละหกเจ็ดมื่นเนี่ยเขาเป็นเห็นเป็นเงินเป็นทองนั้นทันทีเลยนี่ ทีนี้วันหนึ่งก็เข้าไปหาจามาคือวัดชอบไปตามที่วัดไทยเนี่ยเขาจะขายให้คนไทยแล้วอาศัยคนไทยเนี่ยโฆษณาแล้วถามเขาว่าเป็นใครก็ว่าไอ้แอมเดอม้าเดอะคิงออฟม้าลังอ่านอะไรม้าลังอ่านเสีอตัวเขาที่เสลักเป็นม้าลังอ่านคนเขาบอกว่าเป็นราชาแห่งม้าลัางอ่านวะงั้นนะทีบา้าไอ้เขาก็ออกทุงทีวีอะไรไปทั่วแหละทีนี้ก็ถามเขาว่าคุณแจ็คระหว่างชีวิตคุณกับชีวิตหมาเนี่ย อันไหนมีค่ามากกว่ากันชีวิตคนไม่ใช่ชีวิตชีวิตคนกับชีวิตหมาไหนมีค่ามากกว่าเอะก็ชีวิตคนนี่อ่าก็ถามกันเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อถ้าคุณเสียเวลาฝึกคนก็เสียเวลาฝึกหมาเนี่ยอันไหนมีค่ากว่ากันถามก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเขาเขายอมด้วยจํานวนด้วยเหตุผลว่ามนุษย์มีค่าแน่นอนแต่ทํำไมไม่ฝึกคนอ่าคนมันขายไม่ได้ก็จริงแต่ชีวิต ที่จะอยู่ได้เนี่ยเขาบอกอาศัยเงินจริงเลยจริงอนี้นะ <c oughs> แต่เวลาคุณไปกินข้าวเนี่ยคุณกินเงินหรือกินกินข้าวเอากินข้าวเขาบอกข้าวมาเพื่อเงินเสมอไปไหมเหล่าก็ไม่เสมอไปถามไปถาง ม, มาจนกระทั่งยอมรัวบว่อกอเขาเจอตัวพุทธศาสนาตัวนี้เขาก็เริ่มทำนะผู้วันนี้ก็มาที่วัดทุกวันเลยน ะ, อะพอถึงเวลาเพนก็มาแล้วมาช่วยนั่นช่วยนี่หาคนมาช่วยวัด มิสเตอร์แจ็คเขาชอบคนไทยเขาว่าเ so ้าอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่ที่เชียงใหม่น่ะอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เขาบอกว่าหาเงินใช้ดนี้แม่เขาก่อนเขาติดหนี้แม่สองหมื่นห้าพันเหรียญมันก็เท่าไหร่มันก็ต้องเข้าไปตั้งอ่ะหลายแสนน่ะสามแสนห้าใช่ไหมล่ะสามแสนหกอ่าสองหมื่นเข้ไปก็หกเจ็ดแสนที่สองก็เป็นล้านอ่ะนะก็หาเงิน ใช้นี้แม่เขาก่อนแล้วเขาจะกลับมาศึกษาเรื่องนี้ใหม่แต่ขณะนี้เขาก็ไปมาอยู่กับวัดน่าจะเห็นว่าในวิสัยของคนที่เป็นวัตถุนิยมเนี่ยเขามองอะไรเป็นวัตถุหมดแม้แต่ตัวพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าทําให้สาระเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปค้าไปขายยินเนี่ยคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นในวิสัยของตะวันตกเนี่ยเขามองอะไรเป็นวัตถุหมด เพราะนั้นเมื่อเขามาหน้าผือพุทธศาสนาทําไม่ได้สาระที่แท้จริงออกไปเขาก็เอาพุทธศาสนาเป็นตรีตาเป็นยี่ห้อหากินได้เหมือนกันไอ้เราก็ก็หวั่นเรื่องนี้เหมือนกันไอ้การที่จะฝึกเสือให้กินหญ้าเนี่ยกัฝึกช้างให้กินเนื้อเนี่ยมันยากพอๆกันคนเอเชียของเราเนี่ยเหมือนช้างนะเพราะอยู่วัฒนธรรมทางด้านจิตใจกินหญกคนตะวันตกอเมริกาเนี่ยเหมือนเสือกินเนื้อ ทีนี้เราไปอยู่ทางอเมริกาเนี่ยจะฝึกฝรั่งให้มาศึกษาเรื่องจิตใจเนี่ยเหมือนกับฝึกเสือให้มากินหญ้ามันยากขนาดไหนพ่อบอกว่ายากแต่ก็ต้องทําถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเสือมันกินหญ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียกว่าวิเศษอะ่ะนะดังนั้นเองวัฒนธรรมที่เขาฝังลากลึกมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยจะให้เข้ามานิยมทั้งเรื่องของจิตใจทันทีนี่ยากอยูขณะเดียวกัน วัฒนธรรมของเราปลูกฝังเรื่องจิตใจมาหลายร้อยหลายพันปีจะให้เราเป็นวัตถุนิยมผู้ปั๊บเดยทันทีก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมเราจะไปตําหนิเขาไม่ได้คนเขาแม้ว่ามีความเก่งกาจเฉลียวฉลาดในแง่ของวัตถุแต่ว่าทางด้านจิตใจของเราเนี่ยยังล้าหลังมากยังล้าหลังแต่ในด้านวัตถุนี่ของเราเนี่ยล้าหลังเขาเขาหลายแล้วหลายเท่าตัวแต่เขาล้าหลังในด้านจิตใจของเรากว่าเราหลายเท่าตัวเรามี ข้อแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าเมื่อใดเราทิ้งวัฒนธรรมทางจิตใจของเราเนี่ยไปเอาวัตถุนิยมของเขาเนี่ยเราก็หมดเลยนะไม่มีอะไรเป็นของตัวเลยดังนั้นวัตถุนิยมจะดีขนาดไหนก็สู้ทางด้านธรรมนิยมของเราไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติการเจริญสติแบบนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสาคัญอยากจะให้ศึกษาให้ละเอียดแน่นอนทุกคนมีศรัทธาที่จะทำ แต่ว่าศรัทธาที่จะหาเหตุผลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องลอองงถูกต้แล้วลงมือทําเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญฝ่าเป็นสิ่งสําคัญฝ่าทาเพื่ออะไรพอมันหาค้นหาคําตอบอย่างเงี้ยหาคําตอบว่าทําเพื่ออะไรทําแล้วได้อะไรเพราะวิธีการนี้เราไม่ต้องไม่ได้สอนให้กันให้เชื่อแต่สอนให้กันพิสูจน์ให้ทำํำพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันยังไม่ได้อะไรก็ทำไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆ พิสูจน์ด้วยความตั้งใจจริงใจนะไม่ใช่พิสูจน์ไปลงลุ่มเล้งๆพิสูจน์ด้วยตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเพียงแต่ว่ามันดีแล้วก็ลงมือทําเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราพิสูจน์พิสูจน์นั้นก็มีต้องมีกัลยะาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ทํามาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนมาบอกเราอีกทีหนึ่งเราถึงจะไวขึ้นอามากล่าวหลายครั้งว่าอามาได้ยินคําว่าเอาไม้ไผ่มาสีกันเนี่ยมันเป็นไฟ แค่ได้ยินเนี่ยแต่ยังยังไม่ได้พิสูจน์ก็เชื่ออย่างนั้นแต่วันหนึ่งมันเกิดสะกิจใจขึ้นมาเอ๊ะ ล, ลองลองดูมันเป็นจริงหรือเปล่าต้องไม่ไผ่สองชิ้นมาถูกันถูทั้งวันมันก็ไม่เกิดไปเอ๊โบราณหลอกเราเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเนี่ยเราก็จบไปแค่นั้นแล้วเข้าใจว่าโบราณดอกเราเราก็ไม่พิสูจน์ดอกเราก็ไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงใช่ไหมแค่วันหนึ่งมาพบหลวงพ่อบุญธรรม บอกว่าหลวงพว่อคุณทำบอกว่าเอาไม้ไผ่อ้นนอาวแล้วใช้ได้อยู <c oughs> ่ที่อนไหนวิ่ะหอบดึมไปแล้วว่ามาถามหลวงพว่อคุณทำหลวงพว่อคุณทำว่าทำแบบไหนะ่ะว่าทำแบบนี้โอ้ไม่ถูกลงเงินเดี๋ยวจะทำให้ดูจำได้วัาที่วันเฮียยางนะหลวงพว่อคุณทำนะพิสูจน์กันเอา้าท่านก็เอาไม้ามาไผ่มาพา หาแล้วก็เล่าให้ดีอันหนึ่งทําเป็นเหมือนคมมิดเลยนะมาตั้งจีหลักขนาดอย่างดีเอาอี ก, กอันหนึ่งมาเจาะเป็นรูเล็กๆแล้วขูดเอาฝอยที่ไอ้ท้องท้องไอ้ไม้ไผ่น่ะแปะไว้ตรงนั้นเป็นฝอยเลยท่านก็ขยับถูให้ดูไม่ถึงสามนาทีควรขึ้นตลบเลยจับจับปัดพัดไปพัดม า, ดมาไฟก็ลุกอ๋ออย่างนี้เองแน่อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการที่เราได้ฟังมาว่าทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ย ถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกทํายังไงยังไงมันก็ออกมาไม่ได้แต่ไอการที่จะทําถูกได้เนี่ยถ้าเราไปคน้นถ้าสมมุติว่าจะมาพยายามที่จะทําให้ถูกเนี่ยถ้าไม่พบคนที่มีประสบการณ์ทํามาก่อนบางทีกูต้องใช้เวลาหลายปีกูจะเจอคําตอบอันนี้แต่พอมาเจอหลวงพ่อบุญธรรมไม่ต้องใช้เวลานานถ้าทําทให้ดูเราก็ทําตามพอทําตามมันก็เป็นไฟขึ้นมาแน่ดังนั้นการเจริญสติที่ว่าจะหาคําตอบที่ถูกเนี่ยเราจึงมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาช่วยเรา การที่ได้ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาช่วยเรานั้นเป็นการลดการเสียเวลาลงถ้าจะมาเป็นสแสดงหาวิธีการเอาไม่ไผ่สีกันโดยที่ไม่ถามใครเลยเนี่ยตลอดชีวิตออมาอาจจะไม่ไม่ได้คําตอบเลยเราก็เข้าใจว่าโบราณโกหกเราแต่พอไปพบบุคคลที่ท่านมีประสบการณ์มาทําให้เราดูไม่ต้องเสียเวลานา น, านแค่สามนาทีเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าทําแล้วทําไปเดี๋ยวมันได้เองเนี่ย ต้องฟังให้ดีต้องระวังให้ดีพาทีทำไปแล้วมันไม่ได้เพราะนั้นต้องถามให้เข้าใจถูกต้องแล้วก็ท่านให้ท่านทำให้ดูด้วยเพราะนั้นวิธีการหลวงพ่าเทียนไม่ใช่บอกแล้วก็ไปบอกแล้วก็ไปอย่างทั่วไปไม่ใช่พระต้องทำให้ดูด้วยเพราะนั้นวิธีการของหลวงพ่อจึงพระท่านจึงทำให้ดูนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัส ทำให้ดูอย่างเสมอตน้นเสมอปลายนะฮะไม่ใช่เพราะนั้นามาไปที่โน่หนหรกันนามาก็ได้ปฏิบัติเยอะพะอามาทำให้ดูนะทาทั้งวันแล้วเนี่ยเราก็ได้เขาก็ได้วอยังไรก็เออทาไปเรื่อยๆทีนี้พอได้กัลยาณมิตรผู้รู้จริงได้กัลยาณมิตรผู้ที่เข้าใจจริงมาบอกเรามันก็ไม่นานนะก็เห็น แต่ถ้าได้ไกลยามิตที่ไม่รู้จริงไกลยนมิตรที่หลอกหลอกไกลยามิตที่ยังไม่ได้บทพิสูจน์สรุปแน่นอนแล้วก็ชี้ไปทางนู้นบง้งทางนี้บ้างก็ทําให้เราวกไปเวียนมาก็รู้สึกตัวทําก็รู้สึกเหมือนกันอ่ะก็เหมือนกับว่าเอาไอ้ไม้ไผ่มาสีกันมันก็ร้อนเหมือนกันอ่ะแต่มันไม่เป็นไฟอ่ะใช่ไหมหระทํางวันก็ถูทั้งวันก็ร้อนเหมือนกันแต่ไอ้ความร้อนมันไม่พอที่จะเกิดปัจจุไฟฟ้าที่จะเป็นไฟขึ้นมาเหมือนกันน่ะนักปฏิบัติหลายคนปฏิบัติจริงแต่ว่า ไอความเล่าร้อนของยานปัญญาที่จะไปเผาอาวิชาเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็ไม่หลุดไม่หล่นสักทีไอการที่จะรู้ทำเห็นรมพวกรึขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็ไม่เป็นสักทีทนึงมันไม่เห็นไม่ปะทุขึ้นมาในจิตในใจของเราเลยมันก็คอยนึกนึกนกนกเอาว่าเออเนี่รูปอันนี้นามอันนี้สมมติอันนี้ปรามัดอันนี้ขันห้าอันนี้วัตถุปรามัดอันบั ก, การก็นึกไปแต่ความจริงไม่เคยปะทุขึ้นมาในใจจริงๆว่ามันเป็นอย่างไร เหมือนกับไม่ไผ่มาสีกันแล้วมันก็ได้ความร้อนแต่มันไม่เกิดเป็นประกายไฟขึ้นมามันก็ไม่ส่องอะไรไม่ได้พูดได้แต่มไม่เป็นนะฉันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะอามาทุงบอกว่าการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะทำกันเล่นๆไม่ได้เอาเรื่องคนนู้นมาพูดเอาคนนี้มาพูดไม่ได้วิธีการของหลวงพ่อเทนเนี่ยไม่ได้โฆษณาเอาคนนะแต่เอาความถูกต้องนะ ใครจะทำไม่ทำไม่ว่าแต่ว่าถ้าใครมีศรัทธาทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลยนะต้องพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องอย่างไรอ่าตรงเนี้ยก็คือดูว่าในขณะที่เรานั่งทำเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรดูรู้สึกเฉยเยเนี่ยตัวเนี้ยยากมากเลยนะรู้สัตวารู้เนี่ยไม่ใช่คำพูดง่ายๆแต่ทำยากมากมันรู้สัตวารู้จริงๆแต่ไอ้ไอ้ตัวสังว่านี่มันตั้งได้กี่นาที บางทีมันตั้งได้แป๊บเดียวไม่ถึงวินาทีมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเพราะนั้นไอ้ตัวรู้สัว่ารู้แล้วรู้ซื่อๆเฉยๆที่เราใช้คำว่า directly knowing หรือ b a r awareness ในภาษาอังกฤษ b a r awareness คือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทำไมมันจึงไม่เป็นมันจึงไม่เห็นเพราะว่ามันตั้งอยู่ไม่นานเหมือนกับต้นไม้ เอาเราไปปลูกต้นนี้ยพอปลูกสามวันาย้ายไปตรงนูน้นเอปลูกได้สี่วันย้ายไปตรงนูน้นย้ายไปย้ายมาต้นไม้เหิวตาย <c oughs> ความรู้สึกตัวแล้วเหมือนกันถ้ามันไมไ่ตั้งอยู่ที่ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหียวเดี๋ยวมันก็เฟะไปแต่พอมันตั้งอยู่นานๆเหมือนต้นไม้ปลูกกับพี่ไม่ต้องย้ายเดี๋ยวมันก็ติดนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนั่งทํากับที่เนี่ยนันทํานานๆให้ตั้งจิต อธิษฐานจิต ด, ด้วยว่าข้าพเจ้านั่งอยู่ในท่า น, นี้ไม่ถึงสิบนาทีจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่เจ้าท่านจะบรรลุธรรมท่านก็ทําตรงนี้ด้วยอข้าพเจ้านั่งตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ถึงแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นจะแห้งเหือดไปกระดาวถึงไม่กระ ด, ดูกแตกๆละเอียดกระดาวข้าพเจ้าจะไม่ลุกถ้าไม่เข้าใจจุดเนี้ยอธิษฐานลงไปเลยเด็ดขาดเพี้ยวปะทนกระแส ก็รู้นะแต่ก่อนหน้านะั้นท่านไม่ได้อธิษฐานสแสวงมาห้าหกปีท่านไม่ได้อธิษฐานก็ไม่รู้แต่พอท่านมาอที่ฐานตรงนั้นเอาตายเป็นตายสู้กันนี่เขาเรียกว่ามีอธิษฐานบารมีด้วยมันถึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาแต่ไม่ต้องเมาไปอธิษฐานว่าพระเจ้าจะนั่งนี่งหกชั่วโมงโดยไม่กระดิกกระเดี้ยเลยไม่ได้นะเดี๋ยวก็แย่ yeah, ต้องรู้กําลังของตัวเองด้วยจะอธิษฐานทําอะไรเนี่ยอ่ามันเกินกําลังของตัวเองก็อธิษฐานไม่ได้มันผิด เรามีกําลังแค่แบกแค่ได้ร้อยห้าสิบกิโลปูณหนึ่งถุงเนี่ยแต่อัน้ําหนักมันเทิร์นร้อยกิโลถ้าข้าพเจ้ายกถุงปูนสองถุงนี้ขึ้นบ่าไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่กินข้าวเสร็จเลยนะตายพอดีต้องรู้กําลังของตัวเองด้วย<ม>กําลังเต็มที่เนี่ยแบกได้ห้าสิบกิโลก็ต้องทําไม่อธิษฐานนะ้ำมันยกไม่ขึ้นแต่ถ้าอธิษฐานะมันยกขึ้นเนี่ยบางอย่างนะเพราะมันมีกําลังใจเข้าไปเพิ่มชั้นใดก็ดีนะเรานั่งปฏิบัติไปเนี่ย นัท่ทําดูดูขนาดที่เราสมมติเราตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงว่าจะไม่ลุกไปไหนนี่นะเอาแค่ว่าไม่ลุกไปไหนก่อนไม่ต้องว่าขยับขยันขยับเพี้ยนปกติหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ครบหนึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกไปไหนจะไม่เหลียวไปไหนจะตั้งอยู่ตรงนี้ในขณะที่เราไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โห ค, ความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกษาแระพาดมันเกิดขึ้นทรมานมากเราก็จะได้เห็นนะี่ยเวลามันทรมานเนี่ยนะโอ้โหที่มันไม่ได้พูดกับคนมันทรมานใจจริงๆมันไม่ได้ครับ ไอ้เหลียวไปดูคนนั้นไม่ได้ไปพูดกับคนนี้มันทรมานใจจริงๆมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่งมันทรมานเราก็เห็นมันอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองถ้าเราไม่อธิษฐานจิตบังคับตัวเองสักวางเนึ่งมันเห็นยากเหมือนกิเลสและวิธีการปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่ได้เข้าห้องเก็บอารมณ์ขังตัวเองว่างเนี่ยมันก็เห็นทุกข์ยากจีิเพราะทุกข์มันมีหลายชั้นหลายละดมันเห็นได้ชั้นผิวๆเนี่ยชั้นใต้ไม่เห็นก็มีดังนั้นจําเป็นจะต้องมีอธิษฐานจิต นะอธิษฐานจิตอย่างวิธีการของเราก็ อ, อธิษฐานจิตเข้าเกี่ยวอารมณ์เจดวันไม่ไปไหนเลยนะไปแต่รับข้าวไปพูดอะไรกับใครทำอยู่นั้นมันไม่เข้าใจเที่ยวนี้ต้องเข้าใจเที่ยวหน้าไม่เข้าใจต้องเข้าใจเที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแมกิเลตจะนาปัญญาจะยากขนาดไหนต้องเข้าใจเหมือนกับเราเอาค้อนตีหินนะหินก้อนใหญ่ขนาดไหนถ้าเราตีมันทุกวันทุกวันเนี่ยมันต้องแตกเอาทีเล็กนิดหน่อยในที่สุดมันแตกหมดเลย อาวิชาของเราตัณห า, าวิชาของเรามันจะหนาแน่นขนาดไหนเนี่ยถ้าเราเอาความรู้สึกตัวคอยทุบคอยตีมันเรืนะ่อยๆเนี่ยมันจะต้องแตกละเอียดวันใดวันหนึ่งนี่คือวิธีการของเพืให้เรามีหวังอย่างนี้เองนะออกมาเองอินทรียออกมาเองเนี่ยทั้งโง่ทั้งอินรีย์ทั้งอ่อนแต่มันก็รู้ได้เหมือนกันนะตัวเองไม่ใช่เป็นคนฉลาดตัวเองเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนคิดมากแต่อาศัยมีศรัทธาทำไม่หยุดเนี่ยมันก็รู้ได้เหมือนกัน ืเพราะฉะนั้นญาติโยมในที่นี้หลายคนเนี่ยมีสติปัญญาดีกว่าธรรมามีคงความเข้มแข็งดีกว่าธรรมามีความอดทนดีกว่าธรรมามีสติปัญญาฉลาดปาาเถือนกว่าธรรมะหลายคนที่เนี่ยต้องรู้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีความอดทนความตั้งใจเข้มแข็งเหมือนธรรมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจตรงนี้เองนะถ้ามีความอดทนเข้มแข็งเหมือนธรตมาหรือมากกว่าธรรมาแล้วต้องรู้แน่นอนไม่มีพลาดโดยวิธีการอันนี้นะเพราะฉะนั้นความอดทน เพราะนั้นตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะชนะมารใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่ามีแม่ธรณีนะขึ้นมาบีมือผมอ่าแล้วก็น้ํานั้นไหลออกจากมือผมทั่วมารตายหมดเลยหมายความว่าไงนั่นเป็นปิิศนาน่ยไม่ใช่ของจริงปริศนาบอกว่าในการที่จะเอาชนะความคิดบางอย่างที่มันรุนแรงได้เนี่ยต้องมาใสายความอดทนเหมือนแผดดินแม่ธรณี ธรณีมาถึงแผ่นดินใช่ไหมธรณีชื่อของแผ่นดินแล้วความอดทนหนักแน่นขนาดแผ่นดินยังไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยแม้ธรณีปูดมาอย่างเดียวไม่พอต้องบีบมวยผมอาการบีบมวยผมนั่นคือใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลว่าไอ้ไอ้ความคิดแบบนี้มันมาได้ยังไงไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันมาได้อย่างไรผมคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงราชบัลลังค์คิดถึงพ่อถึงแม่ที่แก่เท่าเนี่ย มันมาได้ยังไงแล้วจะเอาชนะมันได้ยังไงความคิดแบบเนี้ยตรงนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วใช้ความอดทนอย่างเดียวไม่พอนั่นแม่แม่ธรณีบีมวยผมละเนี่ยมวยผมบิดมวยผมนั่นหมายถึงกํำลังของสติปัญญาเหมือนผมทุกเส้นนะดังนั้นเองในความอดทนเนี่ยต้องมีเพราะกิเลสบางอย่างมันเหนียวแน่นมันหนืดมากมันตัดไม่ออกต้องใช้ความอดทนเข้าข่มถ้าความอดทนใช้ปัญญาเข้าฆ่า น่ะฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่ากิเลสไม่บาปน่ะนั่นเองถ้ากิเลสเราไม่ฆ่ากิเลสกิเลสต้องฆ่าเราเพราะสองอันนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้ระหว่างพุทกับมารถ้าเราไม่ฆ่ามารมารก็ต้องฆ่าพุทถ้าพุทไม่ฆ่ามารพุทจะเป็นพูทได้ก็ต้องฆ่ามาน่ะนั้นเองเรามานี่เรามาฆ่าฆ่าที่ได้บุญคือฆ่ากิเลสฆ่าความรู้ฆ่าความไม่รู้สึกตัวนะ ัการปฏิบัติแบบนี้จึงแน่ใจได้ว่าจะเป็นทางออกของคนยุคใหม่หลายคนบอกฉันปฏิบัติมาหลายปีแล้วสิบปียี่สิบปีแล้วก็ยังขนาดนี้ไม่เห็นจะเหมือนวิจิตอลังการอย่างพวกคุณเจ้าพูดเลยก็อย่างบอกที่แล้วบอกเมื่อกี้งไงถ้าเอาไม้ไผ่สองอันมาสีกันเนี่ยถ้าไม่ไปปรึกษาท่านผู้รู้ไม่ไต่ไม่ถามไม่ทดสอบไม่หาความจริงเนี่ยถูไปสิปียี่สิบปีไฟมันก็ไม่เกิดเพราะไม่ถูวิธี นะแต่ถ้ามันถูกวิธีมันถูกวิธีอย่าว่าวันหนึ่งเลยแค่สามนาทีห้านาทีมันก็ติดแล้วไปนี่เพราะฉะนั้นมันมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอความเพียรอย่างเดียวต้องแสวงหาคําตอบที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงมีครูบาอาจารย์ให้ถามมีครูบาอาจารย์ให้ปรึกษาในแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติกิจจังเก็เอาใจใส่อยากจะดูแลเอาใจใส่ คนที่ไม่อยากปฏิบัติจริงจังมาเล่นเล่นในหัวก็อยากจะไปไกลๆเว้นไปไกลๆทําไม่เสียเวลา mm hmm. นะเพราะชีวิตของเราผ่านไปแต่ละทีเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ผ่านไปแต่ละชั่วโมงผ่านไปแต่ละวันเอาคืนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวดังนั้ในการผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยเราต้องสั่งสมตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้เข้มแข็งให้มั่นคงให้ชัดเจนอยู่เสมอเรียกว่าบําเพ็ญบารมีเรามาที่นี่เรามาบําเพ็ญบารมี ถ้าคนไหนบารมีเต็มก่อนคนนั้นก็เห็นธรรมก่อนคนไหนบารมีเต็มไม่เต็มที่นี่อาจจะไปเต็มที่บ้านของคนอาจจะไปเข้าใจธรรมะที่บ้านบางคนไม่เต็มเดือนนี้ก็อาจจะไปเต็มเดือนหน้าบารมีคนไหนไม่เต็มเดือนหน้าก็อาจจะไปเต็มปีหน้ามันต้องเต็มปีใดปีหนึ่งเหมือนกับตักน้ําใส่กระป๋องตักน้ําใส่คู่ใส่ถังถ้าตุ่มนั้นมันไม่ซึมไม่รั่วมันต้องเต็มได้จะตักใส่น้อยใส่มากก็ตาม แต่ถ้ามันซึมไม่รั่วมันซึมมันรักก่วกขาต้องอุดเสียก่อนถ้าเราไม่ขี้เกียจนะเพราะน้ำหยดมันแต่ละหยดมันต้องเต็มได้วันใดวันหนึ่งดังนั้นอย่างขี้เกียจต้องขยันอย่างนั้นถามว่าเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่ไม่มีทุกข์ที่เราต้องการประหลาดทางากันเพื่อชีวิตที่ไม่มีทุกข์เท่านั้นเองไม่ต้องไปบรรลุอรหัตอรหัในใดเลยเหรอกไม่ต้องเอาโซดาสกีนาคาอะไรหรอกเอาแค่ว่ามีทุกข์ก็พอแล้วสุดยอดแล้ว ถ้าเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้ามันมีทุกข์อยู่ก็ไม่ไม่คนยากที่จะบรรลุเพราะมนมีทุกข์แต่ถ้ามันไม่บรรลุอะไรเลยแต่มันมีทุกข์เอาแค่นั้นพอนะเอาแค่นั้นพอแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีค่าขึ้นชีวิตของเราถ้ามันมีไม่มีทุกข์เราถือว่ามีค่าถ้าไม่มีทุกข์ไม่ได้หมายถึงมีสุขนะไม่ได้หมายถึงมีสุขแต่มันไปเหนือทุกข์เหนือสุขเพราะทุกข์เราก็ไม่เอาสุขเราก็ไม่เอาแต่เอาตัวรู้สุข ใช้สุขให้เป็นรู้ทุก์ใช้ทุกให้เป็นถ้าเราไม่เป็นเหนือมันเนี่ยเราก็ใช้มันไม่เป็นนะแล้วนะจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่มันมีคุณค่ามากตอนที่มีลมหายใจเท่านั้นเมื่อใดมันหมดลมหายใจก็หมดค่าให้เปล่าก็ไม่เอานะแต่ถ้ามันมีลมหายใจยังมปนค่ามากเหลือเกินนะนับราคาไม่ได้แล้วค่ามันอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นอยู่ที่ มีความไม่ทุกข์ค่าของชีวิตถ้าชีวิตมันมีทุกข์แล้วมันมีค่าอะไรบางคนขี้เกียจําคัญตัวเองฆ่าตัวเองตายแล้วเพมันทุกข์หลายคนในคิดฆ่าตัวเองในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจมันคอนแล็คอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะอยู่แล้วอยู่ไปเป็นทุกข์กว่าเปล่าไม่มีค่าอะไรฆ่าตัวเองเลยนะแต่อันนั้นก็ไม่ถูกมันมีทางที่จะไม่ทุกข์ได้อยู่สแสวงหาทางดินะสแสวงหาทางที่ชื่นก็ว่า The Way of Life ทางของชีวิตมีอยู่นะทางของชีวิตมีอยู่แต่ให้เราสแสวงหาดังนั้นมาดึงมั่นใจว่าถ้าเราพูดในวิธีการของหลวงเทียนเข้าใจในวิธีการของหลวงเทียนเนี่ยทุกชาติรับได้แต่วิธีพูดกับฝรั่งเนี่ยหูต้องใช้ความพยายามเหลือเกินโดยเฉพาะภาษาของเขาเนี่ยมันมันเป็นภาษาวัตถุ เขาเร่เป็นแมเทเรียแลงเกไม่ใช่เป็นสปิริตชิลแลงเกวไม่ใช่เป็นภาษาจิตเป็นภาษาวัตถุเราจะพูดยังไงให้เป็นภาษาจิตให้ได้เนี่ยโอ้ต้องใช้ความพยายามกันมากเลยนะเพราะนั้นเองตรงเนี้มาว่าให้เราภูมิใจแล้วทำให้มันเป็นทำความรู้สึกตัวนให้เป็นแล้วฝรั่งเข้ามาแล้วก็บอกเขาได้เลยนะอันเนี้ย